ผูมาศึกษาถ้ามาด้วยความตั้งใจจริงดังเจตนาที่มาการจดจำทางทางหูทา ง, ง, ทงตาที่ได้เห็นได้ยินก็จำได้ง่ายมีที่เก็บใน ่ที่ได้เห็นได้ยินแล้วคือที่เก็บได้จใจใจถ้ามีความสนใจย่อมเก็บได้ง่ายเก็บได้ไวได้อย่างลึกลับแล้วน ำ, นำออกมาเป็นคติเครื่องสอนตนอยู่เรื่อยไป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 ในข้อวัดปฏิบัติต่างๆเมื่อใจมีความจดจ่อย่อมจะได้เป็นคติฝังลงลึกภายในจิตใจนำไปใช้ได้ตลอดเวลาแม้จะพลากจากครูจาอาจารย์เพื่อนฝูงไปหลักทมวินัยที่ตนได้ศึกษาปฏิบัติ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 ดังที่ลู่ลู้เห็นเห็นกันอยู่นี้มักจะเป็นดังที่กล่าวมานี้แทบทั้งนั้นไม่เช่นนั้นพระเนรมีเท่าไหร่ที่ไปศึกษาอบรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติถูกต้องแม่นยำที่สุดทั้งด้านวินัยและด้านธรรมะตลอดการนำออก ศาสนาว่าการแจ่บรรดาลูกศิธิ์ที่ไปอุรมไม่มีค่าเคลื่อนจากหลักคอนชิงเลยแม้แต่น้อยถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหรือศึกษาเพื่อหลักของจิตใจจริงๆแล้วย่อมจะยึดได้เป็นลำดับลำดาการปฏิบัติตนก็ปฏิบัติด้วยความสนใจ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 ผู้ปฏิบัติเพียงก้าวเดินตามสายทางที่ท่านอบรมสั่งสอนซึ่งเปิดกว้างไว้แล้วนั้นก็น่าจะไม่มีข้อข้องใจ ส, สงสัยควรจะได้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยภายในจิตใจด้วยความอุตส่าหพยายามไม่ลดละท้อลดละท้อถอย <c oughs> ผลจะพึงปรากฏขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ต้นทาง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 เช่นเดียวกับครั้งพุตธการที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนันอยู่และสาวกทั้งหลายท่านพาดําเนินเพราะครูบาจารย์ที่กล่าวมานี้เป็นครูบาจารย์ระดับพระสาวกทั้งหลายนั่นเองคือ พ, พ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นที่ลงใจหาที่สงสัยไม่ได้ในการแนะนําสั่งสอนของท่านใครจะว่าบ้าบอก็าตามเรานี่ถึงใจขนาดนั้น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 ชาติแห่งสมาธินั้นเป็นรสชาติที่เหนือรสชาติใดๆซึ่งเราเคยผ่านมาจึงทำให้ติดได้จนผลสุดท้ายก็จะเอาสมาธิทั้งเพนั่นแหละมาเป็นนิพพานทั้งเพอีกเช่นเดียวกัน ท, ทั้งที่เป็นไปไม่ได้เพราะสมาธิเป็นสมาธิปัญญาเป็นปัญญาความหลุดพ้น เพื่อผนิพานก็เป็นความดุดพ้นเพื่อผนิพานไม่ใช่อันเดียวกันนี่ก็คือท่านพระแม่คุณปจานมั่นนั่นเองเป็นผู้สับผู้เทิดไล่ออกจากสมาธิอย่างเด็ดอย่างเดียวอย่างเผ็ดอย่างร้อนถึงเช่นนั้นยังถกยังเสียงท่านได้ด้วยความสําคัญผิดของตนที่เข้าใจว่าถูกนี่หากไม่ใช่ท่าน มาลากมาเข็นออกแล้วจะจมอยู่นั้นไปถึงไหนก็ไม่ทราบนี่เป็นยังไงภูมิของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติจากการได้ยินได้ฟังของท่านเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ภายใิจิตใจไม่ได้หลงลืมเลยต้าหนึ่งว่าประจักษ์อยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสัตจักรคือความจริงฝังใจอย่างลึก ซึ่งไม่มีวันลืมหากท่านไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ท่านจะแนะนำสั่งสอนหรือดุดาว่ากก่าอย่างจริงจังอย่างถึงใจขนาดนั้นได้อย่างไรนี่เมื่อปฏิบัติไปรู้เห็นตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนยอมราบยอมรา บ, ราบกราบราบเพราะอายนั่นนี่ละเป็นเหตุให้ลงใจ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 ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนกันแม้แต่น้อยเลยนี่แหละเป็นที่ลงใจสำหรับผู้ปฏิบัติที่อาศัยท่านอยู่เป็นอย่างนี้หากเราตั้งหลายตั้งใจมะพืชปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างจริงจังอย่างถึงใจด้วยความเมตตาแล้วเหตุดายพระเนนเราที่ไปศึกษาอบรมกับท่านเป็นจำนวนพันพหมื่นมื่นเราไม่ต้องว่าพันพันะลเป็นหมื่นมื่นจึงไม่ค่อยปรากฏ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 แนำสั่งสอนด้วยความเมตตานี่ฟังดูสิมีจํานวนมากเท่าไหรพระที่ไปอบรมศึกษากับท่านส่วนมากก็ไปอย่างที่ว่านั่นเองไปที่ไหนก็ให้กิเลสพอมล้อมบีบบังคับไปฟังก็ฟังด้วยกิเลสคิดอะไรคิดด้วยกิเลสการอยู่กับท่านสัมผัสสัมพัน์ของท่านตีไปทางกิเลสกิเลส ด, ดึงลากไปห้ม มันเช่าหมดไม่ได้เข้าสู่อรจุธรรมร่องลอยที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจึงเหลวๆไหลๆโลเลโลกเละหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่สมกับที่ไปศึกษาอารมกับท่านเป็นจานวนมากมายเลยเนี่พิจนาเอาทาั้งๆที่ทางเดินก็เตียนโล่งู้แนะนำให้เดินตามทางที่เตียนโล่งนั้น ท่นก่อนแนะนำโดยไม่มีทางผิดพลาดจะแยกแยะออกไหนก็เตือนที่ดูสิต้องจะติดในสมาธิท่านนังผักใสออกไปนั่นแหละติดออกไปจะเลยเถิดเช่นปัญญาที่จะนามากจนถึงเป็นถึงขั้นที่ว่าจะไม่ยอมหลับนอนทั้งวันทั้งคืนมีแต่การต่อสู้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 ค ว, ความติดอยู่ในสมาธิหยุดอยู่ในสมาธิไม่ยอมก้าวเดินตางปัญญานั่นก็คือคการหยุดการผิดความผิดอีกประเภทหนึง่งคือไม่ก้าวเดินนี่ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมหากเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจจริงๆสมกับไปศึกษาอบรมกับท่านแล้วตรงไหนที่จะเป็นที่ตำหนิติเตียนท่านว่าเราดาเนินไม่ถูกพระโอวาท่านไม่ถูกต้องแม่นยงมีที่ตรงไหน นอกจากกิเลสมันค่อยแบ่งสรรปันส่วนหรือบีบบังคับกินอยู่กับความเพียรของเราไปโดยลําดับลําดาไม่มีละเบนเลยเท่านั้นเราจริงไม่เห็นดัดเห็นทำกิเลสมันแทรกอย่างไรแทรกหัวใจคนก็มันฝังอยู่ในหัวใจแล้วไม่จําเป็นจะต้องแทรกอืมมีแต่กลืนเอากลืนเอาเท่านั้นความโลภฝังใจมานานเท่าไหร่ความโกรธความหลงฝังใจมานานเท่าไหร่ รากแก้วคืออวิชชาฝังใจมานานเท่าไหร่นี่แหละบ้านเรือนจะานที่อยู่หรือถานที่ขับกล่อมบำรุงบำเรอจะถานที่ขับถ่ายของมันได้จากใจของเราเราท่านๆ น, นี่แหละไม่ต้องพูดไปถึงใจสัตว์ทั้งหลายพูดเฉพาะใจของเราผู้ปฏิบัติซึ่งได้ตปอาศัยครูบาอาจารย์แล้วดมามาดําเนินด้วยการแบ่งสรรปันส่วนให้กิเลสหรือกิเลสมาแบ่ง สันปัญส่วนเอาไปหมดหรือบีบบังคับเอาไปใช่หมดไม่มีสินใดปรากฏว่าเป็นมากเป็นผลเป็นสมาธิเป็นปัญญาบิณฑุดูดพ้นในหัวใจของเราเลยก็เพราะเหตุดังที่กล่าวมานี่แหละฟังก็ฟังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อฟังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรจะเข้าสังใจนอกจากกิเลสความไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือความไม่ตั้งใจนั่นก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความไม่พินิจพิจารณาความเหล่านี้ด้วนแน่แต่างเป็นเรื่องของกิเลส ความสุขเอาเผากินนั่นแน่แต่กิเลสมีตั้งแต่เรื่องกิเลสมันแบ่งสรรบัญส่วนทั้งหมดธรรมะมีอยู่ที่ตรงไหนการต่อสู้กับสิ่งที่ขัดขืนเราคือกิเลสเราต่อสู้เป็นอย่างไรบ้างต่อสู้วิธีใดบ้างหนักตบาเพียงไรขนาดไหนพอให้เกิดความลื้มปีติยินดีในตัวเองว่าได้ต่อสู้กับกิเลสจนถึงกับได้ชัยชนะเป็นลาดับลาดากันมีบ้างที่ตรงไหนนี่ มันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอมีแต่เรื่องของกิเลสทํางานอยู่โดยเจ้าตัวก็ภาคภูมิใจว่าได้ทําความพากเพียรไม่ทราบว่าความพากเพียร น, นั้นพากเพียรอย่างไรนี่สิมันถึงไม่ได้เป็นท่าเป็นทางทั้งๆั้ ง, ท, งที่เคยได้ไปศึกษาอารมจากภูบาอาจารย์องค์เอกมาถึงขนาดนั้นยังไม่ได้เรื่องได้ลาวอะไรนี่ก็สืบทอดต่อ ม, มาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมาถึงเราเวลานี้เพราะ ได้เคยได้ยินได้ฟังเคยได้อยู่กับท่านเห็นเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วไม่ใช่ไม่เห็นจึงได้ น, นําเหตุการณ์เหล่านี้มาคขี่คลายให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ยินได้ฟังยาเพื่อโดยให้ความเป็นคติเครื่องเตือนใจว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราผู้ต้องการมรรคผนิพพานต้องเด็ดต้องเดียวต้องอาบต้องหารต้องเป็นผู้สนใจใกล้ตัวอัดต่อรำจริงๆพระสิ่งทั้งหลายที่เราเคยเกี่ยวข้องพัวพันธุ์ นึกฝังหรือจมอยู่กับมันนั้นไม่ใช่สิ่งกระเสดเลิศเลออะไรเราทำไมจึงต้องติดต้องพันไม่มีวันอิ่นพอแม้ขณะมาฟังเทศฟังธรรมหรือขณะที่มาอยู่กับครูกับอาจารย์ก็ไม่พ้นที่มันจะตามมาคิดดอกเบีย้ยมาคิดผลประโยชน์ของตนจนได้ในเอียบทต่างๆของผู้มาศึกษานี่เป็นที่น่าสลดสังเวชใจมากทีเดียวการเห็นโทษของจิเลิด ต้ปฏิบัติทำเข้าไปให้ใหเห็นกันสิเพียงคาดเฉยๆคาดโทษของกิเลสทาตคาดโทษของกิเลสตัวใดก็ตามชนิดใดก็ตามพเพียงความคาดมันไม่ประจักษ์มันไม่ได้เห็นโทษอย่างถนัดชัดจเจนพายใจิตใจต้องเอาทำเข้าแท้เข้าแสงเอาทำเข้าสองสิหยุดฟุง้งซ่านนำคาลเอาอะไรเข้าสองเอาอะไรเข้าหักห้ามต้านทานกันพอจะเกิดผลขึ้นมาเพื่อเป็นความสงบนั่น ต้องเอาความเพียรเฉพาะอย่างยิ่งสติเป็นของสําคัญกํากับการภาวนาของตนจะภาวน า, าวนาิทย า, าบทใดก็ตามทําบทใดก็ตามสติเป็นต้องติดแนบอยู่กับภาวนาบท น, นั้นๆอย่างเอาจริงเอาจังดูเหตุดูผลดูต้นดูปลายดูที่เกิดที่แสดงตัวของที่เดียสมันแสดงออกตรงไหนความคิดความตรุงมันออกไปตรงจากที่ตรงจากที่อะไรมันออกไปสู่อารมณ์อะไร มันถึงได้ให้เกิดความฟุ้งซ่านลำคาญและเกิดความทุกข์ทรมานใจตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องหักห้ามดูให้มันดีดูให้ดีการภาวนาสติเป็นของสําคัญเจาะลงไปดูลงไปหากจะใช้ปัญญาก็ให้ใช้ในวงสติครอบอยู่นั่นแหละอย่าไปใช้แบบโลเลโลกเลแล้วกลายเป็นสัญญาอารมณ์เลยกลายเป็นโลกไปอีกเป็นกิเลอไปอีกโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันเป็นไปได้อย่างนั้น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 ทำประเภทหนึ่งที่จะซองเห็นโทษแห่งความฟุ่งซ้านของกิเลสที่พาให้เป็นไปนั่นนี่มันเห็นกันได้อย่างนี้มันถึงจะเห็นโทษถ้าไม่มีเครื่องทะวัดเครื่องตวงกันแล้วคาดเฉยๆยังไรก็เห็นเพียงสัญญาอารมณ์แล้วก็จมลงไปหากิเลสอีกท่านมันเหยียบย่ำทาลายอยู่ตลอดไปนั่นเองไม่มีวันใดที่จะหลุดพ้นจากจากกิเลสทั้งหลายได้ถ้าไม่เห็นภายในใจิตใจ ดังที่กล่าวมาแล้วนี้จะไม่มีเครื่องวัดเครื่องตวงกันเลยและจะไม่มีเครื่องทดสอบกันในเาละต่อไปแห่งธรรมทั้งหลายได้อีกอต้องได้ใช้ความพิจิตรณาในขั้นเริ่มแรกเอาความสงบเย็นใจด้วยการเอาจิงจังในการภาวนาวัดตวงกับความฟุ้งซ่านว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรความฟุ้งซ่านยังผลให้เกิดขึ้นคือความเป็นทุกข์ภายในจิตใจ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 ในขยับความภาพเพียรและทำทุกประเภทในบรรดาที่จะแก้กิเลสหรือถอดถอนกิเลสหรือปราบปรามกิเลสมีขึ้นภายในจิตใจของตนต้องให้เห็นโทษอย่างนี้ก่อนแล้วก็เป็นมาเองจากนั้นก็ความสงบเมื่อเห็นคุณค่าแล้วก็จะส่งเสริมความสงบให้มากขึ้นความฟุ้งซ่านได้เห็นโทษแล้วก็พยายามระ ง, งับดับลงไปเรื่อย จนกระทั่งมีแต่ความสงบท่วมท้นอยู่ภายในจิตใจความฟุ้งซ่านไม่มีเลยก็นั่นเมื่อถึงเพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็เราได้เห็นแล้วว่าความฟุ้งซ่านไม่มีเพราะอำนาจของสมาธิเข้าครอบเข้าบีบบังคับทับหัวมันไว้พูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนี่เนี่ยเครื่องเทียบเคียงแห่งความเห็นโทษแห่งความเห็นคุณระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นได้อย่างนี้จากผู้ปฏิบัติการปฏิบัติเต็งเป็นธรรมสําคัญมากที่จะได้เห็นประจักษ์ทุกสิ่งตัวอย่างภายในตัวเอง แล้วลําดับต่อไปก็ส่งเสริมความสงบให้มากขึ้นมาหากค่อยเป็นค่อยไปเองภายในจิตใจนั่นแหละคนเราเมื่อได้เห็นชัดเจนประจักษ์ตนแล้วย่อมมีแก่ใจที่จะภาคเพยียรย่อมมีแก่ใจที่จะต่อสู้ฟัดเบี่ยงมันไประหว่างขิเล่นกับทำมีมีมสมรรถธรรมเป็นต้นมันจะหนักขนาดไหนความอุตสาห์พยายามมีอยู่แล้วไม่คํานึงถึงเรื่องความลําบากลําบนมีแต่จะเอา ให้เกิดความสงบมากกว่านี้จะทำความฟุ้งซ่านํำคาญให้สงบตัวลงไปยุบยอดลงไปจงกระทั่งมีแต่ความสงบราบภาณใิจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นนี่เป็นทางเดินของผู้เห็นไทยและก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ถอยหลังเพราะสิ่งที่เห็นโทษก็ยิ่งประจักษ์ขึ้นโดยลำดับธรรมชาติที่เป็นคุณภายในจิตใจก็ประจักษ์และมีน้าหนักมากขึ้น ควรแต่การที่จะปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยแกตนได้เป็นลําดับลาดาไปนี่อันดับต่อไปเมื่อจิตมีความสงบตามที่เราได้เห็นโทษเห็นคุณดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทางปัญญาท่านก็สอนไว้ปัญญาเป็นเครื่องคลี่คลายดูนิเลสที่สมาธิครอบหัวมันไว้หรือไล่ต้นเข้ามาสู่ที่จนเกาะจนมุมเช่นไล่เข้าในคอก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 เป็นใจเราเป็นของของเราเนี่ยเต็มไปหมดทั้งร่างกายทั้งปุ๋นงานทั้งขันห้าและจิตไม่มีช่องว่างตรงไหนพอจะเป็นเกาะเป็นดอนบ้ากิเลสมองไม่เห็นกิเลสไม่ยึดไม่ถือล้วนแล้วเป็นเกือเป็ น, เ, ป น, เ, ป น, เ, ปนเรื่องของกิเลสยึดถือก ร, รมอํานาจไว้ทั้งนั้นนี่เราจะถอดถอนด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วจะมองไม่เห็นเลยในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้พี้คายลงไปการพี่คายคือการเปิด ดูหัวของกิเลสนั่นเองมันหลบมันซ่อนมันยึดมันถืออยู่ที่ตรงไหนมันยึดลงถือว่าอันไหนสวยอันไหนงามทำมาฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปมันสวยที่ไหนมันงามที่ไหนอันนี้จังทุกขังหน้าตาครอบหัวมันอยู่มันมาเสรจสตปัญญยอว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาวรได้ยังไงเนถ้ามันจะกิเลสหน้าด้านหน้าด้านปัญญาก็ฟาดลงไปจินมันจะด้านขนาดไหนกิเลสนัน มันจะหน้าด้านขนาดไหนพบปัญญาธรรมนี้เคยด่ามันแหลกมานานแสนนานแล้วตั้งแต่ผู้รู้เจ้าองค์ไหนๆมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นอาวุธอันเดียวกันข่ากิเลสประเภทเดียวกันเนี่ยแยกแยกกันอย่างนี้ถ้าเรียกว่าปัญญาคลี่คลายองหมดหสารพางร่างกายเมื่อคลี่คลายครั้งนี้ยังไม่เห็นครัง้งครั้งต่อไปครั้งต่อไปอีกหลายตลบทบทวนเหมือนเขาคลาดมา กลับไปกลับมาจนมูลคาดมูลไทยแหลกละเอียดแล้วควรจัดการปักดำนั่นและปักดำกันเขาก็ปักดำนี่ก็เหมือนกันเมื่อปัญญาได้รู้ละเอียดทั่วถึงไปที่ตรงไหนตรงไหนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะถอยตัวออกไปถอยตัวออกไปจนกระทั่งทั้งร่างกายนี้ถ้าปัญญาได้สอดจองมองทะลุไปหมดด้วยความเข้าใจตามหลักความจริงแล้ว อันยิ่เล่ห์เรื่องปลอมๆเรื่องความสําคัญมั่นหมายอันเรื่องความยึดถือปลอมๆเหล่านั้นมันจะพังไปทั้งนั้นนี่แหละปัญญาฆ่ายิ่เล่ห์ด้วยค่าอย่างนี้สมาธิฆ่าไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาฆ่าไม่ได้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบผู้อื่นไม่ทราบใครจะเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรมมาจากไหนก็ตามถ้าไม่ดําเนินตามหลักาศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสอนนี้ตายทิ้งเปล่าๆไม่มีทางทราบได้เลยนี่แม้แต่ผู้เรียนก็เหมือนกันอย่าว่าท่านมาเราเลย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 ที่ว่า ง, งามตามกิเดเสเกิดสรรพัญย่อมันไม่มีมีแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนาาัตตาสุอสุภอสภาาุพังปาชาติผีดิบเต็มไปหมดทั้งร่างเขาร่างลายตลอดร่างเราตลอดัตว์ทั้งหลายมันมันมนาดมันไม่อายเหลือที่นี่เมื่อปัญญาได้เห็นชัดเจนอย่างนั้นยังจะยึดมั่นถือมั่นดื้อยึดมั่นถือมั่นอยู่เหลือมันดื้อไม่ได้กิเดสตัวไหนก็เถอะเมื่อถึงขั้นปัญญามีกําลังมากกว่าแล้วฟาดลงไปแหลกแตกกระจายไปหมดเหมือนไฟได้เชื้อปัญญานี้ มันมันมีเชื่อคือกิดเลสอยู่ตรงไหนความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญของกิดเลสอยู่ตรงไหนปัญญาจะแทะเข้าไปแทรกเข้าไปจกนกรทั่งพังทลายคําว่าพังทลายคือความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญต่างๆของกิดเลที่มันเคยสังสิดอยู่ภายในจิตใจนี่หละเป็นผู้พังปัญญาไม่ได้พังอืมีแต่มีความ ก, วกล้ากล้าสามารถข้่องตัวไปโดยลําดับลําดานี่ละท่านฆ่ากิเลสท่านฆ่าอย่างนี้นี่เรียวกว่าปัญญานี่ก็เป็นทางเดิน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 ในขันทั้งห้านั่นแทกอยู่ตรงไหนสติปัญญาจะอย่างเข้าไปทําทําลายลาบไปเหมือนกันหมดนี่แหละที่กิเลสมันตัวที่มันมาแผ่รัศมีออกมายึดนั่นถือนี่สําคัญนั้นสําคัญนี้เมื่อถูกทําลายแล้วมันจะถอยตัวเข้าไปถอยตัวเข้าไปร่นเข้าไปร่นเข้าไปจนกระทั่งถึงเข้าถึงติดนั่นไม่มีที่อยู่มันก็เข้าสู่ป้อมใหญ่คือจิตตาวิชชานั่นเข้าตรงนั้นเมื่อปัญญา เหมือนไฟได้เชื่อแล้วทําไมจะอยู่ได้ละ่ะทําไมจะนอนใจมันต้องทะลุ ก, กันเข้าไปลามลุ ก, า, ลกลามเข้าไปลูกลางเข้าไปจนสร้างเผาไม้หมดแม้จะอยู่ในจิตวตวิชาเป็นจิตอวิชชาก็ตามไม่พ้นที่จะพังแตลายไปได้ด้วยอํานาจของปัญญาที่ขมกล้าสามารถท่านเรียวกว่ามหาสีมหาปัญญาแล้วย่างลงไปละเอียดยิ่งกว่านั้นก็เป็นปัญญาอย่างนี่แหละที่เรียกพังเพราะอานาจแห่งธรรมเหล่านี้นี่ท่านก็สอนเอาไว้อ่ะ <c oughs> นี่คือทางพ้นผุบไปยังไงเมื่อถึงขั้นที่แบบพังทลายจนกรทั่งถึงวิชาแล้วถามหาอะไรนิพพานพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้ถามหานิ้ผานท่านไม่ได้บอกว่าให้ขัดหนิพผานท่านไม่บอกว่าให้ทรมานหนิผ้ผานท่านบอกให้ขัดกล่าวจิตใจที่ถูกกิเลสตัวโศกรปรกมันหุ้มห่อพายนจิตใจตีให้แตกกระจัดกระจายออกไปนี่ก็เรียกว่าการก้าวเดินเพื่อหนิผ้ผาน เมื่อก้าวเดินดังที่กล่าวมาแล้วนี้สมาธิก็เห็นโทษแห่งกิเลสประเภทหนึ่งปัญญาก็เห็นโทษของแห่งกิเลสประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงประเภทที่ว่าละเอียดสุดได้แก่อวิชชาปัจจญาสร้างขาราปัญญาก็ย่างซ่าเข้าไปหมดเห็นโทษไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงสิ่งนั้นพัทงทลายเพราะอำนาจแห่งความเห็นคุณค่าของความละความถอนเบาลงไปโดยลดับธารกิจใจเป็นคู่เคียงกันไปอย่างนี้เนี่ยท่านเห็นโทษ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 ในร่างกายด้วยปัญญาที่คลี่คลายออกให้ทะลุแจ้งแทงทะลุไป ห, หมดเห็นโทษแทงนะขันทั้งห้าด้วยปัญญาที่คลี่ค ล, คลายออกทะลุอุปร่งเข้าไปจนกระทั่งถึงแม้อวิชชาะละเอียดแสนละเอียดละออขนาดไหนก็ตามความหุดท้นยิ่งเป็นความละเอียดยิ่งกว่านั้นปัญญาเพื่อความหุดพ้นยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นทําไมจะไปเห็นอวิชชาเป็นเทบุตรเทวดาลึกยิ่งกว่าพระนิพพานไปได้มันก็พังจนได้นั่นเนี่ย นี่แหละทางเดินเพื่อพระนิพพานท่านเดินอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนี้เห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณหนักเข้าไปเห็นโทษทีแรกก็ยังไม่เห็นมากเห็นคุณก็ยังไม่มากแล้วเห็นโทษมากขึ้นเห็นคุณมากขึ้นความเพียรมากขึ้นเห็นโทษของกิเลสแม้ที่สุดละเอียดขนาดไหนก็ยิ่งเห็นเห็นโทษมันมากแล้วก็ยิ่งสังสมสติปัญญาเข้าให้มากคมกล้าจนสามารถ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 เกงไม่ได้คิดอัดคิดรำโดยอัตโนมัติไม่ได้คิดอัดคิดทำด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจในการประกอบความภาคเพียรเพื่ออัดเพื่อ ท, ทั้งหลายเป็นเพราะเหตุ น, นี้เองให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเสียถ้ายังไม่ทราบให้ทราบว่ากิเลสมันแทรกอย่างไงเวลานี้ความเพียรเรามันถึงเก้าเดินไม่ได้ก้าเดินได้ยังไงเราไม่เห็นโทษของกิเลสเราไม่เห็นเรื่องของกิเลสที่มันแทรกอยู่นั่นมันยึดมันนั่งเราไว้ มันคัดแข้งคัดขาตีหูตีตาและไว้ไม่เห็นความจริงให้เห็นแต่ความจำปลอมของมันมืดมิดปิดตาหูหนวกตาบอดอยู่อย่างนั้นตลอดมาตั้งกับใดกันใดมาศึกษาอุรมกับครูบาอาจารย์ก็ยังหลับหูหลับตาอยู่อย่างนั้นไม่เดืถือเป็นหลักเป็นเจริงแล้วจะเอาอะไรไปเป็นสาระภายในตัวของเราพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายเั็นทำไมมาถึงเหลียวไหลเหลียวไหล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 มันจึงไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรไปอยู่กับครูอาจารย์ก็เหมือนทัพพีไปขวางหม้อขวางแกงอยู่นั่นแหละอื่มมันไม่ได้เข้าถึงลิ้นถึงปากได้มีแต่ทับพีขวางม้ออยู่ตลอดแต่ฟังก็มีแต่กิเลสไปขวางอัดขวางทำอยู่ได้ยินก็ขวางได้ฟังก็ขวางอะไรอะรก็ขวางแต่ภูมิใจว่าตนได้ไปรึกษาจากครูจากอาจารย์แล้วก็มาเย่อหยิ่งจองของพองตัวฮึ่มโออาว่าตนนี้เป็นลูกศิษย์ของ ถ้าอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์นั้นปรากฏชื่อหนือนามได้แต่ชื่อได้แต่ความสําคัญมั่นหมายความทนงตัวออกไปเป็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปจ่ายตลาดอีกนั่นเห็นไหมอย่างกิเลสมันสลับทับซ้อนเป็นยังไงบ้างดูจิฟังสินี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมที่ไหนความเป็นเช่นนั้นมันก็คือกิเลสทั้งแพลนเองเขาไม่ศึกษารวมเขายังไม่ได้มีความทนุงเหมือนอย่างเราที่ไปศึกษาก็ไปสังสมกิเลสแล้วสิไม่ได้สังสมอัดสังสมธรรมพอที่จะเห็นเนื้อเห็นหนัง ตามความเป็นจรงนิงของตนอันจะเป็นทางเดินเข้าไปสู่อัตธรรมแม้แต่น้อยเลยนี่แหละผู้ปฏิบัติที่ไปศึกษาครูบาอาจารย์แล้วได้แต่ชื่อแต่นามมาแล้วมาก็มาปฏิบัติหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ท่านพาดําเนินยังไงก็ไม่ทำํำขี้เกียดที่คร้านคืออะไรมันไม่รู้ไ ม, ม่มีแต่ความอยากขี้เกียดที่คร้านมีแต่ความทอบแท้อ่อนแอว่าเป็นความสะดวกสบายมันสะดวกสบายอยู่ในเรือนจํานี่ ที่ถูกคุมขังด้วยอำนาจของกิเลสบีบบังคับอยู่เท่านั้นมันเป็นทุขอะไรความสุขในรันจำพินาณาช่นี่ความถูกสุขเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันบีบบังคับให้ความสะดวกเพียงนิดหน่อยนิดหน่อยเพื่อให้เราหลงล่มจมไปตามมันมันเป็นของปประเสริฐเลิเ่อลือะไรสิ่งเหล่านี้มันเคยคล้องหัวใจลามานานเท่าไหร่แล้วเคยเราเคยปฏิบัติตามมันม า, ม า, ม, ามากเท่าไหร่ได้ความมีเสื่วิอะไร นอกจากการต่อสู้กิเลสเท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านหลายท่านไม่งั้นท่านจะสอนหรือว่าวิริยะนั่นท่านจีวิริยะธรรมนี่ขันติธรรมเนี่อดก็อดทนก็ทนต่อการต่อสู้กิเลสเนี่ยเพียนก็เพียนข้ากิเลสเพี้ยนชำระกิเลสนั่นสติปัญญาก็เพื่อชำระกิเลสเพื่อข้ากิเลสนั่นท่านนํามาใชา้ท่านไม่ได้นอนจมอยู่เหมือนอย่างเราเป็นยังไง เมื่อความเพียรก็ไม่มีความอุตสาห์พยายามก็ไม่มีเรียกว่าเพียรได้ยังไงเรียกว่าปฏิบัติได้ยังไงสติปัญญาก็มีจะหาความเจาัดที่ตรงไหนอืมเพียงแต่มาอยู่สํานักของท่านกูบาจารย์แล้วเอาชื่อนามไปงั้นมันวิเศษที่ตรงไหนเราคิดดูที่ทัพพีมันรักคนอยู่กับแยงทั้งวันทั้งคืนมันได้ความวิเศษที่โสอะไรเนี่ยลักษณะทัพผีเนี่ยการไปอยู่กูบาจารย์แบบลักษณะทัพผีขวางหม้อนี่มันเป็นประโยชน์อะไร เราพินาจิตมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ก็เหมือนกันที่มาศึกษาอารมอยู่กับเราเวลานี้ก็จะไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปเพราะเราได้เห็นมาแล้วอินนาละอาใจชาวว่าเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบแต่หมู่เพื่อนก็หลังไหลมาหลังไหลมาอย่างนี้จะทำยังไงอลอนแล้วน่าจะเอาไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อคุยปฏิบัติให้เป็นสมบัติของตนขึ้นมาภาณ จ, จิตใจเช่นสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติเป็นต้น มันก็ไม่มีอะไรที่ปรากฏมิวิเวลบ้างเลยนี่ทํำยังไงมีแต่ความขี้เกียจจีคลาสมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นมาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นแล้วไปแบบนั้นไปแบบที้เรียจจองจําไปขิ้เกียจบีบหัวใจไปไม่มีทำรรเป็นเครื่องกําจัดขิ้เกียจออกจากหัวใจว่าเวลามานั้นอะ่ะเป็นมาด้วยความโง่เง่าโง่เง่าเตาตุน่นเวลาอยู่ก็อยู่ด้วยการพื้นปฏิบัติกําจัดความโง่เง่านั้นไปก็ไปด้วยความสงาา่าผ่าเผยทรงอัดตรงทำ ตั้งแต่สมาธิปัญญากระทั่งถึงมิมุติดุจพมันเป็นไปได้มายางนั้นถ้าเราไม่ได้ตั้งบุกตั้งใจจริงนี่มันมาแบบนั้นไปแบบนั้นนะอ嘛 ม, มาก็โง่อยู่ก็โง่ไปก็โง่แบกตะกี้เดือดทับหัวอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าหนักอยู่เหรอพราพุทธเจ้าสาวพรงหลายล้วนแต่จำรากท่านเห็นหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของหนักที่สุดไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสความโลภ ก, ก็หนักความโกรธก็หนักความหามลงก็หนักเมื่อมันได้แสดงอะไรตัวอะไรออกมายิ่งหนักมากยิ่งหนักมากแสดงลิกเดือดออกมา กระทบกระเทือนตนแล้วกระทบกเทือนกระทบกระเทือนผู้อื่นทําโลคให้คิดหายได้เพราะกิเลสนี่เองทำมาท่านทําโลคให้คิดหายที่ตรงไหนไม่เคยมีเลยมีแต่กิเลสทั้งนั้นความโลภมันเป็นยังไงเวลาเกิดขึ้นมามันทําโลกให้เจริญอย่างไงบ้างมีจะมันเห็นความเห็นแก่ตัวความโลภมากกับความเห็นแก่ตัวความตณีที่เหนียวความเข้าใครไม่ได้นี่ก็คือความโลภนั่นเองมันออกไปจากไหนความโกรธก็เหมือนกันข่าฟันกันแหลกเดือบไปหมด โรคหาความสุขความสบายจากการฆ่าฟันกันมีที่ที่ไหนแต่กิเลสมันทําได้อย่า ง, อ, างองค์อาจก้าหามอย่างสบายว่าไงดีไหมกิเลสสิ่งเหล่านี้เคยจมอยู่ในหวัวใจเรามานานสักเท่าไหร่ที่ทำไมจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วกํจาจัดปัดเป่า อ, ออกไปนี่เรื่องของกิเลสมันหนักอย่างนี้เองภูเขาใครไปแบกมันดินทั้งแผ่นขนาดไหนใครไปดูน้ําหนักของมันเพราะไม่ได้แบกนะฮะแต่กิเลสมันแบกอยู่ทุกวันทุกคืนยืนเดินนั่งนอน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 ให้ปลดให้เปลืองออกไปด้วยสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรแล้วจะได้โปร่งโล่งเบาสบายอิสระภาพอิสระเสียดีคือใจที่หลุดพ้นจากกิเลสนี้เท่านั้นนอกจากใครจะว่าอิสระก็อิสระทไหนก็ตามเถอะมันคือความไม่อิสระคือความถูกบีบังคับอยู่ตลอดเวลานั่นเองมันเสกสรร์ปัญญยอกัอย่าเอาอย่างนั้นต่อเมื่อจิตได้ฉลัดตัวออกไปจากกิเลสแล้วไม่บอกว่าอิสระมันก็โล่งอยู่ตลอดเวลาเวิ้งว้างอยู่ตลอดเวลา ทำนิพพานว่างว่างตรงไหนใจไม่เป็นนิพพานด้นเดาไปทําไมแปรไปทําไมเมื่อมันถึงนินพนธ์จริงด้วยใจบริสุทธิ์แล้วแปรไม่แปรมันก็เป็นนิพพานนั่นทาสิถ้ามันเห็นอยู่ในประจักษ์เจ้าของสิมีตั้งแต่สัญญาอารมณ์มาแปรกันซะจนแหลกจเหลวไปหมดความจริงคือธรรมของมรอเจ้าที่ทรงรู้มาด้วยความสัตย์ความจริงมากลายเป็นเรื่องปลอมไปหมดเพื่อหัวใจที่มันปลอมสําคนนั้นสําคันอย่างนี้คนนี้สําคัญอย่างนั้นคนนั้นแปรอย่างนั้นคนนี้แปรอย่างนี้น มันมีแต่นักปราดนับปราดอะไรนับปราดกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นคือแล้วสุดท้ายหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เลยแล้วก็ถอยหลังอ่ อ, อนไปหมดอ่อนเปียกไปหมดเพราะคาแปลนั่นแหละเลยหาสาระไม่ได้นั่นตะกี้พับแปลมันหาสาระไม่ได้ถ้าทําพับแปลเป็นยังไงพุ่งทีเดียวนั่นทำพับแปลไม่ต้องแปลฟังสิถ้าทําพับแปลแลไม่ต้องแปลแปล แปลสภาพทุกสิ่งทุกอย่างของทําเข้าสู่ใจดวงเดียวแล้วไม่ต้องแปลก็ได้ถึงนิพพานแล้วไม่ต้องถามใครจะว่านิพพานเป็น ไ, ปไงก็ตาให้มันเห่าไปอย่างนั้นแหละพู้ที่มันเหา่ามันเหา่าผู้ที่รู้จริงเห็นจริงไม่เหา่ารู้จริงเราพูดที่เจ้าและสาวกท่านองคไหนเจอเข้าไปก็ตามเถอนะขอให้ยีเ่เดียบมันพังลงไปจากใจหมดเท่านั้นนหละแปลไม่แปลก็ตามถึงเรื่องนิพพานมันขังอยู่ตลอดเวลาภายใน ห, หัวใจเลิ่อยู่ตลอดเวลาใครมาไม่เลื่อก็เลิ่อยู่นู่ในนั้น ในหลับธรรมชาตินั่นถึงเป็นธรรมแท้เป็นอย่างนั้นในเรื่องของปลอมมิตรเศษแต่สันปัญยอกันตื่นลมตื่นแรงกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเขฉดหลับก็คือหัวใจมนุษย์ที่ถูกขี้เด็กมันปิดบงังบีบไว้นั่นเองมันถึงไม่ได้ยอมรับความจริงทั้งหลายแล้วมีแต่ของปลอมเต็มหัวใจเมื่อของปลอมเต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาเป็นสุขแสดงออกก็มีแต่หลอกแต่หลอนแต่ต้มแต่ตุนตัวเองได้ยังนี้แหลหลอกหลอน ต้มตุนคนอื่นอยูด้วยตามคนต่าง ม, มีอารมณ์เป็นเครื่องดอกหลอนต้มตุนเองและผู้และผู้อื่นอยูอเวลาโลกหาความร่มเย็นที่ทางไหนเมื่อมีตั้งแต่เรื่องความหลอกลวงต้ม ต, ตุนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของกิเลสครอบหัวใจครอบหัวใจอย่างนี้ทำท่านสอนขนาดไหนมันไม่ยอมรับเพ่อกิเลสมันหนามันไม่ยอมรับถ้าเราไม่ฟังของปิญจากวุธเจ้าทั้งๆ ท, ที่เราก็กลัวทุกอืมเรียบทุกแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็น สาระสาคัญที่จะกําจัดทุกไปได้ถ้าไม่นําธรรมเข้าไปปฏิบัตินํำธรรมมา ป, ป, ปฏิบัติกว่ากิเลสมันหลอกเรียกว่าปฏิบัติยากปฏิบัติธรร ม, ระรรมนระฮะฟัะะรรงซิมีแต่กิเลสเข้าไปสอดไปแทรกไปคัดแข่งพัดขาวไว้สมัมหมดมัดตีนมัดมือให้ก้าวไม่ออกเลยนีย่ว่าไงแ ป, ป็นยังไงพวกเราโง่ไหมพิจารณาดีซิผู้ปฏิบัติเอ้ามันเมื่อใจมันเหนือแล้วมันมองเห็นหมดลแล้วแหละเรื่องที่กล่าวมาที่ไม่กล่าวมากขนาดไหนเอเพียง ตัวเท่าเรานี่ตัวเท่านหนูเนี่ยมันยังพูดได้นี่ว่าไงไม่เห็นพูดมาได้ยังไงว่าอย่างนี้มันโกงโกงไปเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะเราเคยเป็นบ้าพุกิเลสมาพอแล้วจะเป็นบ้าทําให้เห็นสักทีปะ่ะท่านหลายพิจารณาสิการพูดปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษจริงๆเห็นโทษของกิเลสนี่จนข่าใจความใจหายถ้าพูดภาษาของเราเออมันพาล่มพาจมในภพชาติน้อยใหญ่สลับตั้งกับตั้งกันตรงไหนที่ไม่ได้เคยไปติ ไปตกน้ำ น, นรกหลุมไหนไม่เคยมีพบไหนชาติใดของสัตว์ตัวใดมันเที่ยวสอดเที่ยวแทรกเที่ยวเกิดได้หมดอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับให้เกิดได้หมดว่าไงเออเกิดที่ต่งไหนก็ได้ ท, ทนทุกข์ทรมานมากน้อยตามลําดับกําดาอยู่ด้วยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังจะเห็นคุณค่าว่ามันเป็นความธรรมชาติพิเศษวิสโสอะไรอีกจึงตื่นไม่ตื่นตัวบ้าง น, นะพินาสิผู้ปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำไม่เอาทำเข้าไปส่องดูให้มันเห็น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 รีบแนะนำสั่งสอนจั์โลกทั้งหลายให้มีความจะให้มีให้พูดางานเหมือนดนะวะ่าให้เชื่อถราคาคตเถิดนันเชื่อจิเดศพวกกันทั้งหลายจะจมอย่างนี้ตลอดไปมนาะเอาเชื่อถราคาคตเ ถ, ถิดประหนึ่งมากพระองค์ประกาศตนอย่างนั้นอืนี่ว่าเราบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิพ์พ้นแล้วพ้นแล้วนี่เป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารเพราะความเฉดลาบในกิเลศทั้งหลายอยากให้สัตว์ทั้งหลายได้บริุทได้พ้นไปอย่าได้มาร่มจมอย่างนี้อีกต่อไปนานนักหนาเลยอืม นั่ล่ะฟังสิแล้วทำท่านก็ บ, บอกท่านก็สอนว่ามีคุณค่าขนาดไหนเลิศเลอขนาดไหนกับยุเดศที่มันเลวขนาดไหนก็เอามาเทียบเทียงกันหมดแล้วถ้าจะเชื่อก็เชื่ อ, อไม่เชื่อก็สุดวิสัยของสัตว์โลกเป็นกรรมของสัตว์อย่างว่าจะทํายังไงในพวกเราก็เหมือนกันนี่ก็สอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตัวนึงมีมากมีน้อยอะไรไม่ได้อวดหมู่เพื่อนออืสอนด้วยความเต็มใจจริงจริงด้วยความเมตตาสงสารมากน้อยเป็นอะไรก็ทนผู้ไทกันไปมาอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละ เต็มมัดเต็มม า, มาหนานแน่นไปหมดมีตั้งแต่พระตะเนียจนจะหาที่ภาวนาไม่ได้เราก็เห็นใจอถูถ่ายกันไปนี่แล้วมาจะมาแบบทัพพีขวางหม้อแล้วอยามานะให้พักกันหนีเะยนี่ไม่ใช่สอนเพื่อทัพพีขวางม้อนะสอนเพื่ออัดเพื่อทำสอนเพื่อความหุดท้นจริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกําลังความสามารถในการสอนมีมากมีน้อยแล้วสอนเต็มอย่างเต็มภูมิใครจะว่าโอ้ว่าอวดว่าอะไรก็แล้วแต่ ไอ้เรื่องของกิเลสมันแทรกไปในทุกแห่งทุกหนอถ้าเอาจะเอานั้นเป็นาสนนะก็ อ, าอ้าวอยเชื่อธรรมเดินตามมันไปถ้าไม่เข็ดหลักจากการเกิดตายจะได้เกิดตายตลอดกับตลอดกันไม่มีวันสิ้นสุดวิมุตไปได้เลยนี่ถ้าเชื่ออาจเชื่อธรรมแล้วก็เท่ากับ ว, ว่าทางนิยนเข้ามายนเข้ามาภกชาติยนเข้ามายนเข้ามาจนกระทั่งถึงวิมุตหลุดพ้นขาดสะบั้นไปหมดภกชาติไม่มีเหลือเลยในภพนี้ชาตินี้แหละเป็นชาติสุดท้ายของเราเห็นประจักษ์ภายในจิตใจ แม้วัตถุนิเจ้าจะไม่มาประกาศสอนคนตามก็พราะทำของท่านประกาศไว้แล้วเนี่ด้วยสันที่ดีโกผู้รู้ทำเห็นทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วจะสงสัยไปที่ตรงไหน ừ, ทำนี่ไม่ใช่ทำที่สงสัยงนั้นขอให้ทุกท่านได้ถึงใจในการประพฤติปฏิบัติมาศึกษาอุรมอย่ามาลุ่มลุ่มดอนดอนมาจุ่ม 4, สี่จุ่มห้ามาอยู่มากินมาหลับมานอนเฉยๆโลกเขาทําได้สัตว์เขาทำได้จะว่าแต่มนุษย์จะว่าจะผู้ปฏิบัตินักบวชเรานี่เลย ถ้ามาทำแบบนั้นแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยถ้าฟังให้ฟังให้ถึงใจการพูดปฏิบัติให้ถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำจะถึงใจกิเลสจะพากจากใจไปโดยลำดับในขณะที่ทำถึงใจถึงใจนั่นแหละนี่ครับการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรยิงข อ, อย่ติเพียงเท่านี้